แค่อยากจะถามอะไรไห ม, มไหก็ได้ถามเลยก็ได้คือหนูอาทิตย์ที่แล้วอะค่ะที่มหาหลวงพ่อค่ะคือเอานังสือเล่มสีเหลืองกลับไปอ่านค่ะ <c oughs> แล้วก็อ่านไปถึงตรงช็อตที่เขียนถึงค่ะ <c oughs> อสุภะก็มาถานนะคะที่ถ้าเรามีร่างกจริญเราต้องแก้ด้วยอสุภะคะ่ะแล้วทีนี้หนูก็เลยลองไม่เคยทํามาก่อนนะคะแต่ก็คือลองจินตนาการดูอะคะ่ะ <c oughs> เอาสิ่งที่เราชอบ <c oughs> แล้วก็คิดแล้วก็แยกเหมือนแบบจินตนาการเห็น <c oughs> เลือดเห็นเนื้อเขาอ่ะคะ่ะ <c oughs> แล้วมันก็เลยสงบลงได้ช่วงขณะนึง หมายถึงที่มันว้าวุ่นแล้วมันส ง, สงบลงอะคะ่ะหลวงพ่ อ, อทีนี้สันนุ่ไม่เคยทำมาก่อนหนูก็เลยอยากรู้ว่าที่ทำถูกไหมแล้วถ้าเกิดจะทำให้มันต่อนเนื่องหลังจากนี้คะ่ะจะต้องทำยังไงครับ<อ><อ>ได้ถ้าทำแล้วสงบก็ก็แปลว่าถูกเพราะว่าเวลาใจเราไม่สงบนี่มันวุ่นวายมันทำให้เราต้องดิ้นรนไปหาสิ อะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำให้มันสงบมันไม่ใช่เป็นวิธีที่ถูกต้องถ้าเราอยากได้เงินก็ต้องไปหาเงินเงินได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็หมดก็ต้องหาใหม่วิธีแก้คือต้องแก้ด้วยการไม่หาเงินถ้าไม่หาเงินได้ไม่ใช้เงินได้มันก็ไม่ต้องไปเคยหยุดความอยากอยากได้เงิน นี่การจะหยุดความอยากได้เงินนี่เราต้องเห็นว่าเงินนี่มันเป็นเป็นเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้ถ้าไม่ได้ก็จะทรมานใจเหมือนกับคนที่เราอยากจะมาได้มาเป็นคู่นอนเียเป็นเพื่อนนอนถ้าได้มาก็ก็ดีมีความสุข แต่วันไหนถ้าไม่ได้มันก็ทุกข์ไม่สงบพอเกิดความอยากมีคู่นอนมีหมอนข้างพอไม่ได้มันก็จะทุกข์แต่ถ้าเรามองถึงพิจารณาหมอนข้างว่าข้างในหมอนข้างมันมีนุ่นเนี่ยคนที่เราจะเอามานอนด้วยข้างในเขาเป็นยังไง ข้างนอกก็ดูสวยเหมือนกับหมอนอหมอนข้างหมอนข้างอาจจะมีสีมีดอกไม้มีอะไรเป็นผ้าห่อไว้แต่ถ้าแกะดูข้างในเอามีแต่นุ่นเนี่ร่างกายคนก็เหมือนกันร่นางกายคนเราก็เห็นส่วนข้างนอกก็ดูว่าสวยงามแต่แพอเราแกะเข้าไปดูข้างในดูอาการสามสิบสอง ดูอวัยวะต่างๆดูโครงกระดูกดูปอดหัวใจตาปตยลำไส้สมองหรือเลือดหรือน้ำอะไรต่างๆถ้าเราเห็นมันจะทำให้ความอยากที่จะนอนกับเขามันหายไปแล้วเราก็จะนอนหลับสบายนอนคนเดียวได้ดังนวิธีที่จะปฏิบัติให้ถูกต้องก็คือ ต้องทำบ่อยๆต้องทำมากๆทำให้มันชำนาญเหมือนกับขับรถตอนตอเราขับรถถ้าเราหัดขับครั้งแรกเราจะขับเป็นแต่ถ้าเราขับไปแล้วเราหยุดขับเราไม่ขับไปเรื่อยๆเดี๋ยวกลับมาขับใหม่ก็ขับไม่ได้ต้องขับมันบ่อยๆขับจนกระทั่งมันชำนาญเราต้องพิจารณาอสุภะนี้นึกถึงมันอยู่เรื่อยๆ ไม่ใช่ไม่ใช่แต่เฉพาะเวลาที่เราเกิดความอยากเท่านั้นเอามันทั้ ง, งวันทั้งคืนเลยถ้าว่างเมื่อไรใจไม่ต้องไปทำเรื่องอื่นก็คิดถึงอสุภานี้ไปเรื่อยๆ อ, อันนี้หนูขอถามต่อได้ไหมคะคือพอหนูเห็นว่ามันจิตหนูสงบปรุงอะค่ะแล้วพอหนูลองนั่งสมาธิก็คือเหมือนเหมือนจินตนาการนึกถึงแล้ว ไม่ถึงห้านาทีค่ะจิตเราก็กลับมาอยู่ที่ลมเหมือนที่เราชอบทําอยู่ดีหนูก็เลยหนูก็เลยไม่รู้ว่าก็กลับมา ท, ที่ลมต่อถ้าเวลานั่งสมาธิก็ให้กลับมาที่ลมอการพิจารณาอสุภะนี้เพื่อกําจัดเขาเรียกว่านิวรน<ม>คือการมารลมการมาราคะที่จะมาทําให้เรานั่งสมาธิไม่ได้<า>ดูลมไม่ได้ จะคิดถึงแต่คนที่เราอยากจะนอนด้วยก็เลยต้องใช้อสุภะนี่มาหยุดมันพอจิตสงบไม่คิดถึงคนที่เราอยากจะนอนด้วยเราก็มาดูลมหายใจต่อได้อันนี้ในนี่หมายถึงในช่วงที่นั่งสมาธิอยู่จิตไม่สงบเพราะเรื่องกามารมณ์ก็ต้องพิจารณาอสุภพะพอ จิตสงบแล้วดูรวมได้ก็ดูรวมต่อเพราะยังไม่สงบเต็มที่ถ้ายังดูลมได้อยู่นี้มันยังยังยังไม่สงบรวมเป็นหนึ่งเราต้องการให้มันสงบแบบรวมเป็นหนึ่งแบบที่มันจะนิ่งแล้วก็จะเบา อ, อกเบาใจสบาย อ, อกสบายใจและมันจะไม่มีความคิดปรุงแต่งใจมันจะเป็นโอเบคาสักแต่ว่ารู้ มันจะเข้าไปถึงจุดนั้นได้ต้องเพ่งดูอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่งดูลมหายใจเพื่อไม่ให้ใจไปคิดถึงคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้พอไปคิดแล้วเดี๋ยวเกิดอารมณ์ขึ้นมาอารมณ์มันก็จะทำให้จิตไม่รวมไม่สงบถ้าเราเพ่งอยู่กับอารมณ์หายใจหรือเพ่งอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรืออาจจะทบริกรรมพุทโธก็ได้ดูลมหายใจเข้าออกก็ได้ ให้มันอยู่อย่างนั้นไปจนกว่ามันจะวุบลงไปเหมือนตกหลุมตกบ่อแล้วมันก็นง่งสงบไม่คิดอะไรตอนนั้นไม่ต้องทำอะไรมันมันไม่ไปไหนมันไม่ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้มันไม่ก่ออารมณ์อะไรต่างๆขึ้นมารบกวนใจบางทีร่างกายหายไปก็มีหรือถ้าไม่หาย มันก็ไม่ลำคาญกับสิ่งต่างๆที่เข้ามาทางร่างกายเช่นเสียงหรืออาการเจ็บตรงนั้นโปรดตรงนี้ของร่างกายจิตสงบแล้วจะไม่ลำคาญจะอยู่กับมันได้อยู่จิตจะเฉยเป็นอุเบกขาไม่รักไม่รักอะไรไม่ชังอะไรไม่กลัวอะไรไม่หลงกับอะไรให้นั่งให้ไปถึงจุดนั่น ดูลงไปเร่อยๆเดี๋ยวมันวูบลงไปแล้วก็เนื่งสงบพอมันสงบนี้ เ, าา เ, เราก็อยู่ไปอย่างนั้นไปเรื่อยๆไม่ต้องทําอะไรให้นานๆที่สุดเพราะตอนนั้นมันจะมีความสุขมาก อ, าอันนั้นแหละบอกให้รู้ก่อนไงเดี๋ยวถึงว่าจะได้จะได้ไดไมาจะมาถามว่าจะทําะไรต่อ <Okay. S 1> ก็บอกให้รู้ก่อนคือหนูหนูยังปูงไปอยู่ค่ะแต่หนูก็พยายามดึงกลับม า, มบมาอ่า ตอนใหม่ๆก็อย่างนี้เขาเรียกชักไปเยอะกันอจิตมันยอบชอบคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็ฟุง้งเราก็ต้องใช้สติเดินกลับมาให้มีมาอยู่กับลมหายใจเรียกว่าอาณาปานสติให้มีสติรู้อยู่กับลมหายใจเข้าออกอาณาป า, าปนาแปลว่าลมเข้าลมออกสติคือให้มีให้รู้อยู่กับลมเข้าลมออกดึงมันมาพอมันจะไปถึง คิดถึงคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้เดงมันกลับมาเวลานั่งสมาธิต้องดึงมันกลับมาให้มันอยู่กับลมอย่างเดียวหรือถ้าพุทโธก็ให้มันอยู่กับพุทโธอย่างเดียวถ้าบะคนบางคนเขาไม่ใช้ลมเขาใช้พุทโธก็พุทโธพุทโธพุทโธไปไม่ต้องสนใจเรื่องลมให้สนใจอยู่กับการบริกรรมพุทโธคําเดียวให้อยู่กับคําบริกรรมไปเรื่อยๆถ้ามันวัดไปคิดถึงคน น, นั้นคนนี้ก็ดึงกลับมาที่พุทโธใหม่ ใหม่ๆ ม, มันจะดึงกันไปดึงกันมาเพราะเราชอบคิดกันมาตั้งแต่เกิดแล้วคิดมาตั้งแต่เกิดไม่เคยหยุดคิดเลยตอนนี้เราจะมาหยุดคิดมันก็เลยลําบากหน่อยยากหน่อยก็ต้องใช้ความพยายามฝึกสติบ่อยๆอย่าฝึกแต่เฉพาะเวลานั่งเท่านั้นเองเวลาที่ยังไม่ได้นั่งาก็ต้องฝึกสติไปในเวลาเราทําอะไร เราก็ให้มีสติอยู่กับงานที่เราทำเรียกว่ากายกตาสติมีสติอยู่ที่การทำทำงานของร่างกายร่างกายกำลังอาบน้ากำลังแต่งเนื้อแต่งตัวร่างหน้าแป่งฟันห ว, วีผมรับประทานอาหารเดินไปเดินมาให้อยู่กับเท้าดูร่างกายอย่าให้มันไปคิดถึงคนนั่นคนนีสนน้สิ่งนั่นสิ่งนี้ เรว่าฝึกสติถ้าเรามีสติเวลานั่งมันก็จะอยู่กับลมถ้าให้มันอยู่กับนมก็จะอยู่กับนมให้มันอยู่กับพุทโธมันก็จะอยู่กับพุทโธแล้วมันก็จะรวมเป็นสมาธิได้แล้วเร า, าสุภาที่หนูลองทำอะคะ่ะเหมือนเราทําได้แป๊บเดียวแล้วขึ้นหนูจําเป็นที่จะต้องทําต่อหรือง ให้มันสุดไงคะคือหนูไม่รู้ว่าจุดสุดมันคืออะไรจุดสุดก็คือไม่มีการอารมณ์ไม่อยากจะนอนกับใครต่อไปไ<ห> น, นอนก็ไม่ไม่อยากมีแฟนเดี๋ยวเชิญไปห้งหลังนีก่าห้ด้านหลังเป็นไปาทางด้านหลังเข้าใจไหมเอเป้าหมายก็คือนนก็คิด ท, ทุกครั้งอยากจะคิดถึงแฟนก็คิดถึงตับตายไสูุ้งเขา กูเกิลลูปเอาเอามาดูอ้านาตอมมีเอ้ามีหรือเปล่าล่ะมีเหมือนกันมีทุกคนหมมีค่ะอาแต่ไม่แต่มองไม่เห็นใช่ไหมเห็นก็เห็นก็หลกศีรษะเขาล่ะเห็นก็ลกศีรษะเราละเวลามองกระจกอ่ะถ้ามันไม่เห็นมันมีอยู่่นะิาการได้อาก็ต้องจินตนาการอะตอนนี้ยังจินตนาการถึงความได้ทาไมเราจะเวลามองหน้าเราในกระจกทาไมจินตนาการไม่ได้ก็คือท เวลาอยู่คนเดียวก็จินตนาการถึงคนนั้นคนนี้ว่าหน้าตาดีอย่างนั้นหน้าตาดีอย่างนี้ให้เป็นกระดูกเลยค่ะจินตนาการที่มันอยู่ข้างใต้ผิวหนังบ้างเราชอบจินตนาการแต่ที่ผิวหนังดูแต่หนังก็เลยดูหนังไม่ชอบดูของภายใต้ผิวหนังเราหัดมาดูของจริงที่ซ่อนอยู่ภายใต้ผิวหนัง แล้วต่อไปเราจะไม่มีการอารม์อยากจะนอนกับใคร<ต>เพราะเพราะเพราะมันก็นอนกับซากศพที่ดีนี่เองศพที่ยังไม่ยังยังหายใจอยู่แังไม่ถ้าเกิดเขาไม่หายใจแล้วยังจะเอาก็ามานอนด้วยวะไม่แล้วใช่ไหมอย่างนีย้ยังหายใจอยู่ไม่เป็นไรมันก็เปลี่ยนกันมันร่างกายมันก็ไม่ได้เปลี่ยนไปไม่ใช่หรือตอนที่หายใจกับไม่หายใจ ยังไม่เนา่าอะตอนใหม่ๆตอนที่หยุดหายใจแล้วเนี่ยกลายเป็นผีขึ้นมาแล้วเราไม่เป <c oughs> ็นผีเขาเรากลัวผีแต่เราไม่ใช่เป็นผีนะ <c oughs> แล้วก็เป็นผีมันเป็นผีหายใจได้นนี่เ้าเป็นผีหายใจไม่ได้เราเป็นหายผีหายใจได้ต่อไปล้วก็จะเป็นผีหายใจไม่ได้ พิจารณาร่างกายอย่างนี้แล้วต่อไปมันจะมันจะไม่หลงไหลกับร่างกายไม่หลงไหลกับความสวยงามของร่างกายจะได้ไม่ต้องไปทำสัญญกรรมตกแต่งไม่ต้องไปย้อมผมย้อมผ้าไว้มันเหนื่อยเบาๆกอนหัวเลยต่อไปให้มันรู้แนาวรู้รอดไปมันก็มันแค่หนังหุ้มกะโหลกนี่เองไ ป, ไปอะไรกับมันนักหนาว ผมที่มันเกาะ อ, อยู่ที่กะโหลกศีรษะนี่ไม่มีผมมัน ม, มีผมมันต่างกันตรงไหนมันก็ยังมีกะโหลกศีรษะอยู่เหมือนเดิมเลยถ้าเห็นกะโหลกศีรษะแล้วมันจะทําให้หายหลงหายหลงกับความสวยงามห น, าางนหน้าตาของคนนหน้าตาของคนนี้มันก็แค่หน้ากากครอบกระโหลกศีรษะนี่เองผิวหนังนี่ก็เป็นเหมือนหน้ากากใช่ไ้ยเนี่ย ทำไมนี้เขาทำหน้ากากยางครอบได้ เ, ไเวลาเขาจะแปลงตัวเป็นคนนั้นคนนี้เขาก็เอาหน้ากากยางมาครอบอันนี้เราถ้าแกะหน้ากากเนื้อออกมันก็จะเห็นแต่ของจริงของแข็งๆกระโหลกศรีรษะอัดดูของจริงอของจริงที่มขีของที่มีอยู่แต่เราไม่ยอมมองกันก็เลยไม่คิดว่าไม่มี ไม่คม่ีใครคิดว่ามีมีกระโหลกสีษะกันใช่ไหมเวลามองหน้ามองมองหน้าในกระจกนี่เห็นแต่คิ้วเห็นแต่ตาเห็นแต่จมูกเห็นแต่ปากแ้วไม่เห็นกระโหลกสีษะที่มันประคับประคองไอ้หนังหน้าตานี่ไว้ถ้าไม่ icos, homem, มีกระโหลกสีษะหน้าตามันจะเป็นมันจะมันจะมีอะไรเกาะยึดได้มันก็จะเป็นเหมือนแมงกะพุนนะแมงกะพุนไม่มีกระดูกมันไม่มีกระดูกใช่ไ นอนถ้าร่างกายเราไม่มีกระโหลกไม่มีกระดูกเป็นยังไงบ้าง <ละ S 1> ก็เป็นเหมือนแมงกะพรุ น, น, นอ่ะอ่ามันก็นอนอย่างเงี้ ย, ย, ยนนะมันจะมาตั้งอยู่นี้ได้ไที่ตั้งอยู่ได้เพราะโครงกระดูกของเราเนี่ยกระโหลกหศีรษะเนี่ยโครงกระดูกเนี่ยที่โครงใช่ไหมกระดูกแขนกระดูกขาอะไรตรงนี้เราไม่เคยมองมันเราลไม่คิดว่ามันมีอยู่ในตัวเราแล้ว อ, อยู่ในตัว ใ, วใคร มองเห็นเห็นแต่รูปร่างหน้าตาเนั้นเองก็เลยหลงไหลติดกับความสวยงามปลอมไม่ได้เห็นความสวยงามจริงสวยงามจริงมันไม่น่าชื่นชมยินดีนั้นหัดพยายามดูบ่อยๆแล้วต่อไปจะอยู่คนเดียวได้จะไม่เหงาไม่ว้าเหวไม่ต้องมาวุ่นวายกับการหาแฟนหาได้มาก็ต้องมาทะเลาะกับแฟน ต้องมาห่วงแฟนมาห่วงแฟนแล้วเดี๋ยวเวลาแฟนทิ้งเราก็ร้องห่มร้องไห้อาจายไหมเนี่ยคื อ, รอเรากําลังหาความทุกข์กันโอเ จ, จ้าเลยสอนให้วิธีหยุดหาความทุกข์ด้วยการให้มองให้เห็นว่าสิ่งที่เราหาเนี่ยมันไม่น่าไม่น่าหากันน่าเกลียดน่ากลัวให้คิดบ่อยๆจนไม่ลืมน่แต่มันชอบลืมเรืยเดี๋ยวพอไม่คิดพอเห็น ใครเข้ามาก็เห็นแต่หน้าตาขึ้นมาคิดเรื่อยๆแล้วพอเกิดมีความอยากจะได้เขามาเป็นแฟนก็จะได้หยุดได้ <c oughs> มันจะได้ฉุกคิดได้ว่าเรากาลังไปหาอะไรกันนะกา <c oughs> ลังหากระดูกหากระโหลกศีรษะมาเป็นแฟนนหาตับหาไตาหาลำไส้หากระเพาะหาปอดหาหัวใจ หาอะไรต่างๆเนี่ยเปิดดูอันหนังสือนาตมมี่ก็ได้หรือหนังสือผ่าศพก็ได้ก็ดูของจริงเลย<ะ>กูเกิลเข้าไปคำว่าศพเนี่ยชำระอ่าอ่าเขาเรียกว่าชันสูตรศพอ่าตรงเห็นชันสูตรศพเข้าไปแล้วก็ยังมีภาพให้เราดูภาพต่างๆเราก็มานึกนึกบ่อยๆแล้วก็มาชันสุตศพเราชนสูตรศพของคนที่เรารู้จักทุกคนเลย ไม่ได้ชันสูตรด้วยมีดนะชันสูตรด้วยปัญญาด้วยความดูคิดคิดนีดพอเห็นใครก็แวกอกเขาเลยแวกอกดูกระเพาะดูปอดดูหัวใจดูตับดูไตดูลำไส้ดู อ, <ม>อะไรต่างเวลาคิดอะค่เวลาคิดกับปัญญาบบมันก็อ <c oughs> ันเดียวกันเนี่ยทีมันถ้ามันคิดแล้วยังยังลืมอยู่ยังไม่เรียกว่าปัญญาเรียกว่าสัญญา แต่ถ้ามันไม่ลืมก็เรียกว่าปัญญา<ะ>เราต้องไปคิดถึงจุดที่ไม่ลืมเหมือนชื่อเราเราลืมชื่อเราไห ม, ไมไถามชื่ออะไรตอบได้ทันทะีถามอาการ32นี่ตอบไม่ออกเราไปท่องอาการ32ดูก่อนก็ได้มี32รายการผมขนเล็บบันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูก ม, ม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอด ไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเยอในสมองศีรษะอาหารน้ำดีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเหนือน้ำมันข้นน้ำตาน้ำมันเหลวน้ำลายน้ำมูกน้ำไขข้อน้ำมูดสาสสองข้อชนิดเนี่ยเรียกอาการสาสองขั้นต้นก็นึกถึงชื่อมันก่อนขั้นต่อไปก็นึกถึงภาพของมัน ผมเป็นยังไงขนเป็นยังไงเล็บเป็นยังไงฟันเป็นยังไงเนื้อเป็นยังไงหนังเป็นยังไงเอ็นเป็นยังไงนึกไปเรื่อยๆต่อไปก็จะเห็นภาพอย่างชัดเจนของร่างกายครบสาสิบสองอาการจะได้เห็นของของจริงว่าร่างกายสวยหรือไม่สวยออ จะได้ไม่ต้องเสียเงินไปซื้อเครื่องสำอางมาโปะโปะอยู่กับไอ้ซอซากศพที่ยังเดินได้ประหยัดเงินด้วยค่ะประหยัดเงินเนี่ยล้างหน้าล้างตาด้วยสบู่ก็พอละไม่ต้องไปซื้อเครื่องสำอางราคาแพงๆมาเสียเงินทาคิ้วทาปากทาตาทาอะไรเหมือนจะไปเล่นลิเกกันไง ก็คล้ายๆกันถ้าไม่มีสติก็หลับไปเลยหลับนายไปเลยเพราะว่าหนูเคยนั่งแล้วมันมันเหมือนเนืกอว่าตัวเองว่วงสักพักหนึ่งมันมันวิบลงไปแล้วก็ไม่เหมือนดับไปหมดเลยแต่คราวหนูก็มีความรู้สรอง่วงหรือเปล่าก็เลยออกจากสมาธิมานอนก็ไม่นอนค่ะอือคือถ้าเรารู้มันก็ไม่ไม่หลับถ้าไม่รู้มันก็หลับคนสับประงกนี่ไม่รู้ว่าตัวเองสับประงกต์แต่ถ้า ถ้าคนรู้นี่จะรู้ว่าไม่ได้สับสงบ ร, รู้ว่ามันสงบดังนั้นก็มันก็พูดยากต้องต้องต้องคอยสังเกตดูเอาเองว่ามันสงบถ้ามันสงบมันต้องเหมือนตอนนี้ตอนนี้เรารู้ไหมรู้ว่าเรากำลังคุยกันอยู่เปล่ารู้ว่าตอนนี้เราหยุดคุยไหมมันจะมันต้องตื่นรู้แบบตื่น ถ้ารู้แบบสบรรพงกนี้มันก็หลับเข้าใจหมแ้วจิตแปดิเก้าร้อยยี่สิบเอ็ดดวงออมันไม่มีหรกมันมีดวงเดียวอ่าแต่มันที่เขาบอกว่ามันแตกมันเกิดจากสลอดเวลานี่มันคือจากความนึกคิดปค์แต่งอคิดปเป็นนั่นคิดเป็นนี่ไปแล้วก็เกิดมาเหมือนแสงเห็นห่อยะ้ะ<ม>เกิเห็นห็นห้อยนะ มันเกิดดับเกิดดับแต่ตัวห่งห้อยมันไม่ดับใช่ไหมอ่าดับแต่แสงจิตก็เหมือนกันจิตเป็นตัวเดียวไอ้ที่เกิดดับเกิดดับคืออารมณ์ต่างๆที่มีอยู่ในจิตดีใจเสียใจโมโหลำคาญเบื่อนายอะไรนี่เรียกว่าจิตทั้งนั้นอารมณ์อารมณ์ต่างๆที่เขาแยกเป็แปดสิบเก้าถึงร้อบเอนี่คือจากการปุมแต่งความคิดมโนกรรมเข้าไปอย่างนี้ห ความคิดก็ดีหรือสิ่งที่ได้เห็นได้ดยินได้ฟังมาก็ดีมันก็จะทําให้เกิดเป็นอารมณ์ต่างๆจะยินเสียงดีก็เป็นอารมณ์ดีดีใจต่ยินเสียงไม่ดีก็อารมณ์เสียใจโกรธน้อยใจเบื่อนายมันก็เป็นอารมณ์ต่างๆที่เกิดจากการได้สัมผัสรับรู้สิ่งทางตาหูจมูกนิ้นการหรือทางทางความคิดเองคิดเองขึ้นมา บางทีอยู่คนเดียวคิดไปแล้วก็เกิดอารมณ์ดีใจบ้างเสียใจบ้างนั่งหัวเราะอยู่คนเดียวนั่งร้องไห้ยอยู่คนเดียวอันนี้ก็เป็นอารมณ์ต่างๆของจิตเราไม่ต้องไปจดจำมันหรอกมันมีเท่าไหร่รู้ว่ามันเป็นอารมณ์ที่เกิดดับเกิดดับแล้วอย่าไปต่อต้านมันอย่าไปอยากอย่าไปอยากให้มันหายหรื อ, อย่าไปอยากให้มันอยู่ อารมณ์ดีก็อยากจะให้มันอยู่นานพอไม่อยู่ก็เสียใจอีกอารมณ์ไม่ดีก็อยากจะให้มันหายไปก็ทุกข์อีกถ้าเราไม่ไปมีความอยากกับอารมณ์เราก็จะไม่ทุกข์กับมันรู้ว่ามันเหมือนฝนใช่ไเดี๋ยวมันหยุดเดี๋ยวมันมาเดี๋ยวมันไปถ้าเราไปไปมีอารมณ์กับฝนก็วุ่นวายอยากจะให้มันหยุดพอมันไม่หยุดก็วุ่นวายใจเลยเวลาฝนไม่ตกอยากให้มันตกมันไม่ตกก็ ก็ไม่สบายใจงั้นให้เข้าใจว่าอารมณ์นี้เป็นของที่เป็นธรรมชาติอนัตตาแปลว่าธรรมชาติอันนี้จังว่าไม่เที่ยงเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอารมณ์เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเป็นธรรมชาติที่เราควบคุมบังคับไม่ได้แต่เราไปทุกข์กับมันเพราะเราอยากจะไปควบคุมบังคับมันอยากให้อารมณ์ดีไปทั้งวัน เวลาอารมณ์ไม่ดีก็อยากจะให้มันหายถ้าเราไม่ไปอยากเราจะไม่เราจะไม่เดือดร้อนก็รู้เฉยๆนะรู้ว่าวันนี้อารมณ์ดีแต่ก็รู้ว่าเดี๋ยวมันก็ต้องหมดอารมณ์ไม่ดีก็รู้ว่าเดี๋ยวมันก็หมดนี่คือวิธีปฏิบัติกับจิตกับอารมณ์ต่างๆเราต้องรู้จักวิธีปฏิบัติกับสามอย่างที่มีอยู่กับเราเนี่ย ร่างกายที่เมื่อกี้พูดถึงก็เรื่องของร่างกายจิตเนี่ยดูที่สามว่คือเวทนาความรู้สึกความสุขทางร่างกายความทุกข์ทางร่างกายมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาหิวหิวข้าวก็ทุกข์ขึ้นมาพอได้กินข้าวอิ่มก็สุขขึ้นมาระหว่างที่ไม่หิวก็ไม่อิ่มก็เรียกว่าไม่สุขไม่ทุกข์มันก็มีความรู้สึกเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็ทุกข์ขึ้นมาเจ็บขึ้นมาบี่อยากให้มันหายมันก็จะยิ่งทุกข์มากขึ้นใหญ่เพราะว่ามันไม่หายตามความอยากมันจะหายไม่หายอยู่ที่อาการของมันถ้ามันเป็นแล้วเดี๋ยวมียาหรือรักษามันได้มันก็หายหรือถ้าไม่มียาเดี๋ยวมันหายเองก็มีเดินไปเตะหินมันก็เจ็บแต่เดี๋ยวสักพักมันก็หายไปเองงั้นเราอย่าไปยุ่งกับมัน ป่อยมันไปมองให้เห็นมันเป็นเหมือนฝนฟ้าอากาศเป็นธรรมชาติถ้าอยากแล้วมันจะวุ่นวายทุกเราเนี่วุ่นวายเพราะเราอยากจะหาความสุขอย่างเดียวเอความทุกมาก็จะหาวิธีกําจัดมันยิ่งกําจัดก็ยิ่งทุกข์ใหญ่เพราะมันไม่ยอมมันไม่ยอมหมดสักทีแต่ถ้าเราไม่เป็นไปยุ่งกับมันเราจะไม่ทุกข์เราจะอยู่กับมันได้ร่างกายเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไป รักษาได้ก็รักษารักษาไม่ได้ก็ไม่เดือดไม่เดือดร้อนถ้าเราไม่มีความอยากให้มันหายตัวร่างกายเองก็เหมือนกันเดี๋ยวมันก็ต้องแก่มันก็ต้องตายแต่ไปอยากให้มันไม่แก่มันก็วุ่นวายเห็นไหมเดี๋ยวก็ไปทำสัญญกรรมไม่ทำอะไรกันย้อมผ้าย้อมผมกันดึงหนังกันดึงจมูกกันดึงอะไรต่างๆเลย เดิยังไงเดี๋ยวมันก็เหว่ปล่อยมันไปตามธรรมชาติสบายกว่าจะได้ไม่วุ่นวายไม่ทุกข์ตายก็มันก็รู้อยู่แล้วมันต้องตายมันจะตายก็ให้มันตายไปไอ้มันรู้แล้วรู้รอดไปมันก็แค่ตุ๊กตาตัวหนึ่งคท่นั้นเองเราไม่ได้เป็นมันที่อย่างเราคนที่คอยดูแลมันนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ร่างกายรู้ปะเราคือใจผู้รู้ผู้คิดเนี่ย เราได้ร่างกายมาจากพ่อแม่เป็นของขวัญพ่อแม่ไปซื้อตุ๊กาตามาให้เราตัวหนึ่งแต่มาอันเนี้ยก็ให้หนูเป็นของหนูเราก็แล้วตุ๊กาตาตัวนี้มาเล่นกับมันมาแต่งเนื้อแต่งตัวทาอะไรต่างๆไปกับมันแต่เราไม่เคยศึกษาธรรมชาติของมันเลยว่ามันเป็นอย่างไรมันเที่ยงก็ไม่เที่ยงไม่เคยคิดเลยมันเปลี่ยนแปลงหรือไม่เปลี่ยนแปลง มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่ใช่เลยแต่ออกมาจากท้องแม่เนี่ยลองถ่ายรูปดูดิปีหนึ่งก็ถ่ายรูปครั้งหนึ่งเดูยทุกปีเนี่ยมันเปลี่ยนไอมถ่ายมันจนกระทั่งมันนอนไปนอนในโรงศพไปเราจะได้รู้ว่ามันเที่ยงว่าไม่เที่ยงเดี๋ยวให้จำได้พยายามจําว่ามันไม่เที่ยงอย่าไปทําให้มันเที่ยงเลยไม่มีวันที่จะทำให้มันเที่ยงให้มันสาวจะทำให้มันสาวไว้ตลอดมัน มันหนุ่มจะทําทำให้มันหนุ่มไปตลอดนี้ทําไม่ได้ช่วยปล่อยมันไปธรรมชาติดีกว่าเราจะไม่ทุกข์หาความสุขแบบอื่นดีกว่าความสุขแบบนี้มันทุกข์หาความสุขจากร่างกายมันทุกข์หาความสุขจากเวทนาความรู้สึกของทางร่างกายก็ทุกข์หาความสุขจากอามมณ์ก็ทุกข์ของจิตให้มาหาความสุขแบบปล่อยวางดีกว่า มันจะเป็นยังไงก็ปล่อยให้มันเป็นไปมาทำใจให้สงบดีกว่าถ้าใจสงบแล้วเราก็จะปล่อยวางได้ตอนนี้เราปล่อยวางไม่ได้เพราะใจมันมันไม่สงบมันคิดถึงร่างกายคิดถึงเวทนาคิดถึงอารมณ์ต่างๆอย่างนี้ยพอคิดแล้วก็พยายามที่จะไปจัดการกับมั น, นเนี่ยฝเนี่ยถ้าเราไม่ไปยุ่งกับมันมันตกแล้วก็ยังคุยกันได้ไง ถ้าเราอยากจะไปจะให้มันหยุดนี่เดี๋ยวต้องไปหาวิธีนะ น, นี่คือฝึกจิตให้ปล่อยวางทุกอย่างแล้วจะสบายตอนนี้เราวุ่นวายกเพราะเราไปยุ่งกับเขาเองแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเขาก็เป็นของเขาอย่างนั้นร่างกายมันก็ต้องแก่เจ็บตายไปความรู้สึกทางร่างกายมันก็มีสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ อารมณ์ในจิตมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแต่เราทุกวุ่นวายไปกับมันอยู่ตลอดเวลาเพราะเราไม่ฉลาดเราไม่รู้วิธีจัดการกับสิ่งเหล่านี้เพื่อให้เราไม่วุ่นวายวิธีไม่วุ่นวายก็คืออย่าไปหยาบอย่าไปยุ่งกับเขาหันอยู่กับเขาฝนตกก็หัดอยู่กับมันไปฝนหยุดก็อยู่กับมันไป เราไม่ต้องไปจัดการกับเรื่องฝนฟ้ากันเพราเรารู้ว่าจัดการไม่ได้น่่งกายเราก็จัดการไม่ได้ทำให้มันไม่แก่ไม่ได้ทาให้มันไม่เจ็บไม่ได้ทำให้มันไม่ตายไม่ได้ แอ่าคนเดียวกันตัวเดียวกันนะถ้าเกิดในชาติเราทำกรรมกับคนสองคนแล้วคนสองคนไม่ได้เกิดในชาติเดียวกันอว่าเราก็ต้องไปเกิดอีกหลายหลาคชาติามสคนนั้นถ้าติดใช้กันก็ไม่แน่ถ้าไม่เจอก็ไม่ต้องใช้ถ้าเจอก็ใช้เหมือนเจ้านี่ถ้าไม่เจอเจ้านี่เขาก็ไม่มาทวงแล้วถ้าเจอเขาเราก็ต้องจ่าย ก็คนที่เขาถึงหนีห น, น, นี่ไงบางทีหนีไปอยู่อีกจังหวัดหนึ่งไม่เจอะเป็นเพราะว่ากาบูรณากาที่ีมากกว่าคือบุญกรรมมันมีสอ ง, ส, อ ง, ส, องส่วนส่วนที่ต้องใช้หนีไม่พ้นก็คือเวลาตายไปถ้าบาปถ้าเป็นกรรมก็ไปเกิดด้อบายถ้าเป็นบุญก็ไปเป็นเทวดาไปเกิดในสวรรค์ แล้วเวลากลับมาเกิดเป็นมนุษย์คนที่เราไปทำบาปด้วย mm. ถ้าเจอกันเขาก็มาทวงหนี้คืนชั mm. ้นเนี่ยมันมีสองสองชนิดด้วยกันชนิดที่อาจจะต้องจ่าย mm. กับชนิดที่ต้องจ่ายชนิดที่ต้องจ่ายก็คือเวลาตายต้องไปเกิดเป็นนั่นเป็นนีอ่อันนี้ต้องจ่ายหนีไม่พ้น mm. ถ้าทำบาปเนี่ยห้าข้อนี้จะต้องไปเป็นเดรัจฉานบ้างไปเป็นเปรตบ้างไปตก น, นรกบ้าง ไปเป็นอนุสุรกายามากหนีไม่พ้นพอตายไปนี่บาปมันจะพาไปมันจะเด้งไปเหมือนติดคุกเลยแต่เวลามาเกิดเป็นมนุษย์คนที่เราฆ่าถ้าไม่เจอเขาเขาก็ไม่มาตามฆ่าเราแต่ถ้าไปเจอเขาเขาก็จะมาตามล้อตามเอาคืนอันนี้เรียกเจ้ากรรมนายเวรเจ้ากรรมนายเวรถ้าเจอกันก็ต้องจ่ายเหมือนเจ้านี้ก็ามาทวงนี้ แล้วนู่นนี่ถ้าเจอเขาเขาก็จะมาจ่ายเราแล้วเคยช่วยเหลือใครเขาเดี๋ยวเขาเจอเราเขาก็จะมาช่วยเหลือเรา ม, มันผลบุญ ผ, ผลบาปมันมีสองสองชิ้นชิ้นหนึ่งนี่ต้องจ่ายทันทีเวลาตายไปรับผลทันทีชิ้นที่สองนี้แล้วแต่ว่าเขาจะมาทวงหรือไม่เจอเขาหรือไม่ถ้าเจอกันก็ต้องจ่ายเขาถ้าเราทําช่วยเหลือใคร ถ้าที่แล้วมาเจอกันชาตินี้เราเดือดร้อนเขาอาจจะมาช่วยเหลือเราก็ได้ถ้าเราเคยไปทาความเดือดร้อนในคนในชาติก่อนเดี๋ยวชาตินี้มาเจอเขาเขาก็จะมาทาความเดือดร้อนให้กับเรา่าที่วเต้องฝึกตายเพราะว่าจิตก่อนตายเส ค, คัญถ้าเกิดเราเปไปเถอะลงไปข้างล่างก่นนอนอ๋อมันไม่เถอะหรอมันเหมือนกับบัญชีเงินเงินเงิน รายได้รายจ่ายของเราเนี่มันจะเป็นบัญชีแล้วพอเวลาตายก็เหมือนมาคิดบัญชีกันเข้าใจไหมเปิดนะบัญชีดูว่าบาปมีเท่าไหร่บุญมีเท่าไหร่ถ้าบาปมีมากกว่า บ, บุญบาปมันดึงไปก่อนแล้วพอบุญกับบาปเท่ากันก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วถ้าตายไปไหนเท่าหนะ้า บ, บุญมากกว่า บ, บาปบุญก็ดึงไปสวรรค์ก่อนไม่ต้องมาเตะหัดเตรียงตาย ในขณะจิตสุดท้ายน่ะมันเตียมไม่ได้หรอกเพราะว่ามันมันอยู่ที่การกระทาของเราในแต่ละวันถ้าเราจะเตียงตายก็คิดว่าเราจะตายเราจะได้ไม่ทำบาปตั้งแต่บัดนี้ไปทำแต่บุญไปอย่างเดียวเวลาตายไปก็จะบุญก็จะพาไปเลย อมันเป็นมันไม่มีโยมมาช่หรอกอันนั้นเขาเองแต่พูดแต่งเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาแ่ตัวบัญชีมันจะพาเราไปเองว่าจะไปอยู่ในขุมไหนในช่องไหนจะไปเป็นเดรัจฉานไปเป็นเป็ไปเป็นอสู ร, รกายไปตกนรกนี่มันมีมันมีบัญชีของมันเช่นถ้าทำบาปด้วยความ อาฆ่าพยาบาลนี่บัญชีนรกก็ยังถ้าทําบาปด้วยความโลภนี่บัญชีเปรตถ้าทําบาปด้วยความตัวนี่เป็นบัญชีของอสูรกายถ้าทําบาปด้วยความไม่รู้เหมือนก็ไปเป็นเดราาัจฉานเป็นสัตว์เดราาัจฉานไม่รู้ว่าบาปเพราะไม่มีใครสอนสัตว์เดราาัจฉานว่าห้ามห้ามฆ่ากันนะห้ามขโมยกันน ะ, ะมันไม่รู้ มันทําเมื่อสัรชาติตยานเพื่อจะเอาตัวรอดเนี่ยมันมันจะไปโดยอัโตโนมัติของมันกรรมนี่เป็นผู้จําแนกแยกสัตว์เองไม่มีบัญชีมาคอยจดคอยเขียนไว้บัญชีกรรมเลยถนี้ทําบาปเขาไม่รู้ว่าบาปคนที่มีอาชีพฆ่าสัตว์เนี่ยเขาคิดว่าไม่ไม่เขาไม่รู้ว่าบาป เ, เ, เพราะเขาคิดว่าเป็นอาชีพไม่ผิดกฎหมาย เขาก็เลยทำเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอันนี้ก็กําลังทําบัญชีเวาาลาฉานอยู่ถ้าทําไม่ต้องฆ่าแต่ยังอยากได้เงินเ ย, ย, ย, ยะอะๆก็ไปทาไําบาปก็จะได้รวยอย่างเงี้ยหรืออาจจะไปเป็นเตะถ้าทาบาปด้วยความกลั ว, ก ล, วกลัวมดกลัวแมลงกลัวอะไรเจอมันก็เตะมันฆ่ามั น, นี่อันนี้ก็บัญชีสอสู ร, รกาย ถ้าทำบาปเพราะโกรธเกลียดใครเคือยแค้นฆ่าขยาบบาทตาต่อตาฟันต่อฟันเนี่ยอันนี้ก็บัญชีนรกนะก็อว่าเราายวงติดก็คือาอมันเป็นตั้งแต่ยังไม่ตายอตอนนี้เราไม่รู้เป็นเต๋ดรู้เป็นเดาารัจฉานรู้เป็นเทวดากันแต่เราสามารถเช็คบัญชีได้หรือว่าเรารักษาศีลน้าได้หรือเปล่าถ้ารักษาศีลห้าได้ พวกเต๋อพวนี้ไม่มีแล้วเป็นแต่ว่าเราทําบุญมากน้อยเท่าไหร่ทำบุญมากก็เป็นชั้นชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองเป็นเทพชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองชั้นที่สามไปยิ่งทํามากก็ยิ่งได้สูงขึ้นไปเรื่อย ก็ได้เช่นก่อนจะตายก็ยกสมบัติให้คนหนึ่งตาให้หมดเลยได้มาเท่าไหร่ก็ยก ห, หรือก่อนจะตายก็บริจาก拉่างตายให้เข้ามาคักตาควักอะไรไปแต่ต้องยังไม่ตายนะไม่เอาเอาตอนที่ยังไม่ตายบริจากแต่ยังไม่ได้ให้นี่ยังไม่สือว่าบริจาคเพีงแต่บอกเจียตินาล ม, ม, มั่งนั้นเองต้องให้อย่างตอนนี้ให้ตายเข้าไปเลยเนะนีย่ยเพีงจะได้บุญ ท, ทันที เออได้แต่ซึ่งนี้ก็จบริจาคกิเลส ด, ดีกว่าฆ่ากิเลส ด, ดีกว่าฆ้าความโลภความโกรธความหลงแบบองคุลิมานเนี่ยองคุลิมานฆ่าคนมาเก้าร้้าคนพอเจอพระเจ้าพระเจ้าบอกเธอฆ่าผิดคนเธอต้องมาฆ่ากิเลสพอมาฆ่ากิเลสก็เลยไม่ต้องไปใช้กรรมเป็นฆ่าอรหันไม่ต้องไปจอด พอไม่เกิดไม่มีร่างกายก็ไม่มีใครจะมามาเลือกเลือด ก, กรรมไปได้แล้วก็ไม่ต้องไปเกิดในอบายไม่ต้องไปเกิดในสวรรค์ใจไม่ผ่านแทนเห็นถ้าสมมว่าเราเรากลัวว่าเราจะต้องไปใช้บาปใช้กรรมแลรีบฆ่ากิเลสพอได้เป็นพระโสดาบันก็ไม่ต้องไปอบายลนะถ้าเป็นฆาตานันก็ไม่ต้องไปเกิดเลย ไม่้ยินนะเสียงมันดังเดี๋ยวขอพักบตมนั่งสมาธิก่อนนะเพาะทอะไรไม่ได้จะให้พานก่อนเนะเดี๋ยวเพื่อใครอากจะกลับจะได้กลับไปได้พอเดี๋ยวเราจะนั่งสมาธิต่อยะถวาว า, าตุรัลิุเลนติสาคัง เอวามีวะอิโตจินังเตตังอุปปัชชะติอิสิตังปัชชะตังต um? ha ุนห um? ังค um? ิดเมวะชนิดจตุตัพเทตุเลนตุทังกับายัโทปนาราสุยะธามณีโชติอารสุยะาสัพพิติโยวิวัชานโต สัพพโรโควินาศตุมาเตภวตวันกายุสุขีทีขาโยภวะอภิวัตานิสีลุสานิจังวุฒาปจายโนจตารโหธมาวะทันติอายุวโนสุขังภะละ เดี๋ยวน่งสมาธิสักพักหนะ่งตานะก็เสียงมันดังคุยกันก็ไม่มันไม่ค่อยดนถ้าใครอยากจะกลับก็กลับได้นะไม่ได้บังคับเดี๋ยวพอผลหยุดก็จะคุยกันต่อนั่งหลับตาดูลมหายใจเข้าออกพุทโธพุทโธไปไม่มีไม่ต้องไม่ต้องที่นี่ไม่มีทูดไม่มีไม่มีทูดไม่มีเทียน เอาปจุดที่บ้านก็ได้ได้ได้จุดที่บ้านก็ได้เหมือนกันเดี๋ยวนั่งสักเดี๋ยวนะนะความฝนเบาหน่อยแล้วค่อยมาคุยกันต่อนั่งก็ดูลมไปอย่างเดียวอยากคิดอะไรหรือพุดโทรไปอย่างเดียวแล้วใจจะสงบถ้าคิดแล้วไม่มีวันสงบอันนี้ Facebook เข้ามาเท่าไหร่วาย วันนี้ช่วงช่วงแรกเลยเนี่ยอยู่ที่สามร้อยแดสิบแล้ว้็ YouTube อยู่ที่8ปสิบสามครับอันนี้ร้อยยี่สิบแม่นางสมาธิกันอยู่นะเดี๋ยวกลับมาใหม่ถารหรือว่าเคยเมื่อวานเราสนการที่เกิดขึ้นในอีรมาณิบกว่าปีเวลานม่พอจิตะสงบนะครับ เป็นาการโยกตัวถ้าเราฝืนมันจะรูสุกกราแต่ถ้าเราเราทำตามใหโลปโไปยกมันมันระส่อนาย้อาเราไม่ต้องการนั่งให้มันโล่งต้องการนั่งให้มันนิ่งเอ้นอย่าไปโยกมันถ้าโยกแล้วมันก็จะไม่นิ่งแต่ไปสนใจฮ เ, เราเราใช้อะไรเป็นตัวกำหนดใจอยู่ละเวลานั่งมีอะไรกาหนดไหย ก็สวดไปหรือพุทโธไปอย่าไปสนใจกับเรื่องของร่างกายให้มันนิ่งถ้ามันสั่นมันโยกนี่ไม่เป็นสมาธิแล้วฮะถ้าเราไม่ไปสนใจมันมันก็มันก็ไม่โยกเราไปโยกมันเองอะถ้าเราอยู่กับพุทโธพุทโธไปส่วนมันไปมันก็ไม่โยกอย่างตอนนี้เรานั่งคุยกันมันโยกอะใช่ไหมเหตุน้นมันอยากจะโยกอย่าไปโยก อย่าไปสนใจให้ภาวนาไปพุทโธไปสวดมนต์ไปเวลานั่งสมาธิต้องมีอะไรกำกับใจไม่ให้นั่งเฉยๆนั่งเฉยๆเดี๋ยวเกิดความคิดความอยากอะไรขึ้นมามันก็จะพาเราไปเราต้องการนั่งให้มันหยุดคิดหยุดอยากเราต้องมีอะไรกำกับเช่นพุทโธพุทโธดูลงไป แมันก็จะค่อยๆนิ่งไปเทอาไเล็กเท่าน้อยเดี๋ยวมันก็นิ่งเต็มที่แล้วมันก็สบายโลง่งแล้วอย่างอาการสมมติถ้าถ้าเปลี่ยนเหมืถ้าเปลี่ยนเยมนนหมือนกาะดาษขั้นชั้นอางวันเหมืออารมณ์ที่สลับวนวุ่นวายพอมากไปสาพมันเหมือนจอบจอบลูกดูแล้วอารมณ์น่ารจะสงบนิ่งอ้าเรียกว่าอะไรเนี่ยล่ะสมาธิไเราจะเข้าข้างในข้างนอกมันวุ่นวาย มันมใช้พุทธโธดึงใจเข้าไปเหมือนเดินเข้าไปในถ้าเนี่ยพอเดินเข้าไปในถ้าเสียงที่อยู่ข้างนอกถ้ามันก็จะไกลออกไปไกลออกไปพอเข้าไปถึงรรก้นท้ำก็เงียบสงบพอจิตเข้าไปถึงฐานของจิตคือสมาธิมันก็นิ่งสงบแล้วก็เบาสบายไม่รู้มีความวุ่นวายตามมา อ๋อวิปัสสนาก็ตอนที่เรานึกถึงกับอสุภะไงเรียกว่าวิปัสสนาตอนที่เราดูลมนี่เราต้องการให้จิตนิ่งเรียกว่าสมารถะทําแยกกันไม่ได้ทําพร้อมกันทีเดียวแตถ่ถ้าเราไม่ดูอสุภะแล้วเรายังอยู่กับลมอ่ะค่ะแล้วจะขึ้นวิปัสสนาจก็รอออกจากสมาธิกไงตอนเนี้ตอนนี้ก็วิปัสสนาได้ก็คือรู้ว่าเรากำลังยกมือเรากำลังเหยะะียดถนัน้นสติถ้าเรารู้ว่ากําลัง กระดูกเกระกระดูกแขนกระดูกขาาลองยกขึ้นมาเนี่ยเป็นวิปัสสนาเนี่ยร่างกายเนี่ยมีกระดูกไหมแต่เราเราไปเรียกว่าเป็นเราใช่ไหมต้อง เ, เรียกว่าไม่กระดูกสตแขนกระดูกเนี่ยยกแขนกระดูกขึ้นมาไม่ใช่ยกเราขึ้นมาไม่มีตัวเราในร่างกายไม่มีตัวเราเป็นแต่อาการสามสิบสอง การเรียนไง<ม>การค้นคนว้าหาความรู้ตามร่างกายของเราและของทุกๆคนว่าเหมือนกันหมดแสดงว่าตอนทำสมาหาสมาธิกับตอนทำปัจจนะถือแยกกันแยกกันรวมกันได้เหมือนนอนหลับกับไปทํางานนี่ทําพร้อมกันได้ไหมเวลาพักผ่อนหลับนอนกับเวลาไปทํางานนี่ต้องผัดกันทํา<ม>เวลานั่งสมาธินี่ต้องการพักจิต ต้องการสร้างกําลังจิตให้มีกําลังเพื่อจะได้ไปทํางานไปพิจารณาทางอสุภะทางร่างกายได้ถ้าไม่มีกําลังกิเลสมันเดึงไม่หมดดึงไปคิดถึงแต่เรื่องสวยๆงามๆ ก, ก็ต้องสลับกันทําำเหมือนไปทํางานเสร็จเหนื่อยก็กลับมาบ้านพักผ่อนหลับนอนพอพิจารณาสักพักก็เหนื่อยก็หยุดมันแล้วกลับมาพัก สมาธิพุทโธพุทโธไปหรือถ้าไม่เหนื่อยมันก็ฟุ้งซ่านได้วิปัสสนาไปเดี๋ยวกายเป็นวิปัสสนูไปแทนที่จะเห็นอสุภะกับเห็นว่าสวยว่างามมือไอก็ต้องหยุดเราไปพักแสดงว่ากำลังหมดกำลังสู้กิเลสไม่ได้กิเลสมันจะดึงไปในทางสวยๆงามๆพอมันจะดึงไปทางนั้นเราก็ต้องหยุดเข้ามานั่งสมาธิ ถ้ามีกำลังจะได้ดึงมันมาทางธรรมะว่ามันไม่สุขมันไม่สวยทุกอย่างในโลกนี้มันทุกข์มันไม่เที่ยงเดี๋ยวก็ต้องตายกันกิเลสมันไม่ยอมคิดกิเลสมันคิดว่าจะสจะจะจะุจะสนุกไปตลอดจะสวยไปตลอดจะสาวไปตลอดมันจะิดน ก็ต้องให้มีกําลังเนี่ยแต่เวลานิ่งไม่ยังไม่พิ จ, จารณาเวลานิ่งต้องให้มันนิ่งไปจนกว่ามันจะอิ่มมันแล้วถอนออกมาจากความนิ่งเองเวลานิ่งอย่าไปพิ จ, จารณาเหมือนคนนอนหลับจะไปปลุกขึ้นมาทํางานให้เขานอนหลับให้พอพอกขาหลับพอแล้วเขาไม่อยากจะนอนแล้วเขาก็ลุกขึ้นมาเองตอนนั้นเขาพร้อมที่จะไปทํางานแล้วแต่ถ้าเขากําลังหลับไปปลุกเขาขึ้นมาเดี๋ยวเขาก็มองโผล่ไงนี้่ ไม่ใช่พอนั่งสมาธิพอจิตเริ่มสงบปั๊บดึงมันออกมาแล้วไม่ได้ไม่ถูกมันสงบแล้วต้องประคองให้มันสงบไปนานๆจนกว่ามันไม่อยากจะสงบแล้วมันอยากอยากจะออกมาเองอันนั้นถึงปล่อยมันออกมาไม่ใช่มันสงบอยู่ดีๆเ ด, ดึงมันออกมาไม่ควร เรียนเป็นขั้นไงถึงต้องเรียนประถมก่อนถึงจะไปเรียนมัธยมได้ปัญญาเกิดตอนไหนตอหลังจากออกจากสมาธิมามาคิดไงมาคิดถึงอสุภะมาคิดถึงอนิจจังอ่ามันถึงจะเกิดปัญญามันไม่เกิดขึ้นมาจากสมาธิเองมันต้องมีมีกําลังจากสมาธิมาคิดถ้าไม่มีสมาธิมันคิดไม่ออกมันจะคิดไปทางกิเลสใจเอาแต่สวยอย่างเดียวใจเอาแต่อ สาวอย่างเดียวไม่ไม่ใช่ปัญญานันกิเลสนี่มันเราไม่มีกำลังจะดึงมันมาคิดว่าไม่สวยต่อไปจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมันไม่ยอมคิดเลยต้องไปทำสมาธิก่อนทำสมาธิแล้วมีกำลังดึงมันมาได้ดึงมันมาคิดว่าไม่แก่ไม่สวยต้องตายถ้าต่อไปมันก็จะได้ไม่ยึดไม่ติดกับร่างกาย อยากได้หนังสือซีดีก็หยิบไปน ะ, ะไม่แจกกระจายยังสองภาคสมาธิกับปัญญานี้คนละคนละวิชากันไม่เรียนพร้อมกันไม่เรียนคณิตศาสตร์พร้อมกับประวัติศาสตร์ปัญนะาไหมแยกกันเรียนแยกกันปฏิบัติภาคสมาธิก็นั่งให้มันนิ่ ง, น, งนา น, น, าน พอจบภาคสมาธิออกมาเริ่มคิดก็ อ, อกมาคิดทางปัญญาคิดถึงไม่เที่ยงทุกอย่างไม่เที่ยงทุกอย่างเป็นธรรมชาติไม่ใช่ของเราคือเราต้องคิดใช่ไหมคะคือเกิดปัญญามันไม่ได้ปิงขึ้นมาเองก็ต้องคิดจนกระทั่งมันปริงไงก่อนต้องก็ต้องคิดก่อนอเดี๋ยวเดี๋ยววันหนึหนงว่าอ๋อเราไม่ อ, อถ้าไม่คิดมันก็ยังไม่ปริง ต้องคิดหัดคิดไปเรื่อยๆพอมันถึงจุดที่มันเข้าใจมันน้องหร อ, อมันก็ปิ้งขึ้นมาอ๋อมันไม่มันไม่เที่ยงอย่างนี้เองเนาเรายังไม่คิดว่ามันเที่ยงอยู่เนี่ย ก็ิด พ, พิจารณาอย่างไรล่ะมันมาว่าอ๋อเป็นพาาเขาทแบบนี้มันกออกมาเป็นแบบนี้เอมเหตผมแต่มันขึ้นมาเองก็ขึ้นมาก็ขึ้นมาสิแล้วทำไมล่ะมันเป็นาว่าเราไปคิดมันหว่ามันเกิดจากอก็เราคิดไม่ใช่ล่ะก็บอกมันคิดอยู่แล้วมันจะเกิดจากอะไรก็เกิดจากความคิดของเรานิสัยเราเชอบคิดมันก็คิดไป เคยฝึกให้มันมาคิดแบบนี้มันก็คิดแบบนี้ไป<ม>เห็นองไรมันก็คิดตามเหตุตามผลพอใครมาพูดอะไรถ้าไม่ตรงกับเหตุกับผลเราก็จะรู้ว่าเขาโกหกเลยปัญญามัม้ย<ม>แต่เหตุผลของเรามันอาจจะเหตุผลไม่ถูกก็ได้เราก็ต้องตรวจสอบกับความจริงว่ามันตรงกับความจริงหรือเปล่าเห่นว่าอ๋อเนี่ยเขา ตกทุกข์ได้ยากลำบากเพราะเขาทำบาปทำกรรมมาไม่ได้ทำบุญมาไอคนที่รวยก็คิดว่าเขาทำบุญมาเขาก็เลยรวยแต่รวยก็มีรวยสองแบบรวยแบบทำบาปก็มีรวยแบบทำบุญก็มีคนไปกงเขาไปป้นธนาคารมนก็รวยได้หรือคนที่อยู่เฉยแล้วเงินมันก็มาเองคนนี้ก็รวยบุญมาจากบุญแต่ม่น่าต้องอยู่ต น, นี้เงินมันมาเองใช่ไหมเนี่ย ไ ม, ไไ ม, ม, ม่ต้องบปล้นอยู่ไหมมันมีต้องมันมีเหตุผลหลายอย่างก็ต้องระวังเหตุผลบางอย่างมันก็ไม่เหตุผลที่ถูกต้องก็ได้บางคนก็คิอว่าอยากจะรวยต้องโกงใช่ไหมอันนี้ก็เหตุผลเหมือนกันคนไม่โกงบางคนบกงไม่โกงก็ไม่รวยแต่พอกงแล้วก็รวยอันนี้ก็เหตุผลเหมือนกันแต่เหตุผลที่ไม่ถูก ต้องเหตุผลที่เนี่ยธรรม ะ, ะเหตุผลเนี่ยธรรมะก็ต้องการดูว่ามันมันสุขแล้วมันทุกข์ทางใจรวยก็จริงแต่มันรวยแต่มันไม่สุขทางใจรวยแล้วทุกข์ทางใจเพราะไปทํำบาปมา อ, อันนี้ถ้ารวยแล้วสุขทางใจนี่แสดงว่ารวยถูกทางเพราะว่าทําหาไม่ได้ไปโกงไม่ได้ไปขโมยมันมาเองหรือว่ามันทําแล้วมัน มันขายดิบขายดีอะไรอย่างเงี้ยทางต้องการหนังสือซีดีก็หยุดไปล้วนะ <Okay. S 1> ถ้าจะคิดอดย่าไปคิดทางแบบนี้ดีกว่าคิดว่าคิดว่าเดี๋ยวมันก็ตายนะคิดอานิจังทุกขงกังอนัตตาดีกว่า<ก Stamp>จบมีวิปัสสนาแต่คิดเหตุผลอย่างอื่นถึงแม้จะเป็นธรรมมันก็ไม่เป็นวิปัสสนาใไอคิดว่ามัน เห็นอะไรใครก็มันดีมันช่วเดี๋ยวมันก็ตายจบเราไม่ต้องไปยุ่งกับมันไม่ต้องไปอิดช้ามันไม่ต้องไปทุกข์กับมันบางคนดีกับเราก็ไปอิดชา้าเขาบางคนเลวกั บ, ขบ เ, ขเขาก็ไปทุกข์กับเขาอีกไม่ต้องไปทุกข์อ่ะเรื่องเขาดีชัว่วเป็นเรื่องบุญเรื่องกรรมของเขาแล้วเดี๋ยวเขาก็ตายตายแล้วก็จบเขาก็ไปรับผลบุญผลบาปเขาต่อไปเราไม่ต้องไปยุ่งกับใคร <ไ genetically. S 1> พิจารณาเพื่อตัดดีกว่า ตัดความผูกพันกับทุกสิ่งทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช้ก็เร็วก็ต้องจากกันกระจากกันเสียแต่วันนี้เลยไม่ดีกว่าเราจะได้สบายใจให้มันรู้แล้วรู่อยมาเลยอยากจะอยา ก, ก็อยากันไปเลยเลิกกันไปเล ย, เลกกเลยมากินไม่เข้าคายไม่ออกกันทำไมกินไม่เข้าคายไม่ออกทุกไปกเปล่าใช่ไหมทุกสิ่งทุกอย่างในที่สุดมันก็ต้องจบต้องจากกัน เรามีความแก่เป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดามีการพัดพากจากการเป็นธรรมดาให้คิดอย่างนี้ดีกว่ามันจะได้ตัดงั้นไปคิดว่าเ้เขารวยเพราะเขาทำอย่างนั้นอย่างนี้เราอยากจะรวยเราก็ต้องไปทำแบบนั้นแบบนี้มังอันนี้ไม่ดีคิดแบบนี้มันก็คิดแบบกิเลสละถึงแม้จะเป็นเหตุเป็นผลมันก็เป็ น, ปนกิเลสเพราะมันทาให้เกิดความอยากเกิดความโลภขึ้นมา มันต้อคิดเพื่อให้หยุดความอยากหยุดความโลภถึงจะดีได้แฟนมาโอยได้มาเดี๋ยวก็ทะเลาะกันเดี๋ยวก็ตีกันเดี๋ยวก็ตายจากกันไม่เอาดีกว่าอ่าให้คิดแบบนี้ได้เงินมาก็เหมือนกันเดี๋ยวเงินหมดก็ทุกข์อีกไม่มีเงินอยู่แบบไม่ตอนนี้ไม่มีเงินก็อยู่ได้ก็อยู่แบบนี้ไปดีกว่าไม่ต้องไปดิ้นรนให้มันเหนื่อยยากให้คิดแบบนี้คิดเพื่อตัดความโลภตัดความอยาก เราก็คิดว่าถ้ายังดีเราสุจะทำเราก็ได้ไม่ต้องเป็นคนทำบาปเออทำเราคนบาปใช่เงี้ยแล้วคิดว่าดีแล้วเขาไม่ชอบเราเขาเขายังไม่ด่าเราแล้วก็ด่าเราก็ดีแล้วเขายังไม่ตีเราแล้วก็ตีแล้วก็ดีแล้วเขายังไม่ฆ่าเราเอาฆ่าเราก็ดีแล้วก็จะได้ตายจะได้ไม่ต้องมาทุกข์ทุกวันนี้อยู่ก็อยู่กับความทุกข์ นะคิดอย่างนี้แล้วเราจะได้ไม่ต้องไปทำบาปเขาทำเราแล้วเดี๋ยวเขาก็ต้องไปทำคนอื่นต่อเขาจะหยุดไม่ได้เดี๋ยวก็ไปเจอคนที่เขาจะทำกลับเดี๋ยวก็เจ็บตัวใด้กันทั้งสองฝ่ายเดี๋ยวก็กลายเป็นฝงรามขึ้นมาฆ่ากันตายขึ้นมาเนี้่ออ แม่ละมูสาก็คือคําว่าโกหกนี่สัมมาวาจานี้มันนอกจากไม่โกหกแล้วมันไม่พูดเพ้อเจ้อก็เรียกว่าสัมมาวาจามูสานี่แปลว่าพูดปดคนที่ถือศีลห้านี่ยังพูดเพ้อเจ้อไดย้ยังพูดคำหยาบได้ยังยังพูดไร้สาระได้เพราะไม่ได้ห้ามเขาถือในมุสาวาจาอย่างเดียวเวลาสมาทานศีลห้าเราขอมุ้ษาวาจาใช่ไหม เราไม่ได้ขอว่าพาุษสวรรัสด์เนื้อส่อเสียดเรื้ออะไรเราไม่ได้สมาทานทำเลยนะอันนี้เป็นศีลละเอียด<ม>เราต้องสําหรับคนที่อยากจะละเอียดเขาจะเขาจะถือกันแต่คนที่ไม่ละเอียดเขาขอแค่ไม่กโกหกก็พอแล้วแต่ว่าบางทีมันมันยากอะเพราะว่าอย่างบางาชีพเนี่ยอย่างได้ดย่อก็ได้ศีก็ถือว่ามันเศีลละเอียดไงมันเหมาะกับคนที่ไม่ ไม่มีอาชีพอย่างเป็นพระอย่างเงี้ยเป็นนักบวชอย่างเงี้ยอันนี้เป็นศีลของนักบวชไม่พูดส่อเสียดไม่พูดทะลุสวาสไม่พูดคํำยาไม่พูดเพอเจอไม่พูดโกหกแต่สําหรับคารวะนี่ขอข้อเดียวก่อนเนี่ยขอข้ออย่าพูดโกหกก็แล้วกันถ้าจะพูดก็พูดความจริงถ้าพูดความจริงไม่ได้ก็หุบปากไว้เท่านั้นเองเมนต้องพูดอะไรก็ไม่โกหกนะใช่ไหม ถ้าเราว่าจะต้องโกหกก็อย่าพูดมันสีมันก็ไม่โกหกใช่ไหมแล้วพูดเรื่องอื่นกน็ได้พูดเรื่องฝนตกเพราวฝนไม่อยู่ ท, ทัทีทำไมต้องไปโกหกด้วยไปโกหกให้เขาสบายใจแล้วเราไปตกนรกดีหรือเปล่าไปเป๊ะไปไปไ ป, ไปเกิดในอบายเพื่อให้คนหนึ่งเขาสบายใจเลยยอมไปติดคุกไหมยอมติดคุกเพื่อให้คนหนึ่งเขาสบายใจไอ้า ฉั้นฆ่าเองเขาไม่ได้ฆ่าหรอกนี่แหละเราไปติดคุกให้เขาไหมแต่บางคนก็มีบางคนรักเขามากอย่างแม่รักลูกอย่างนี้แล้วลูกรักแม่บางทีก็ยอมติดคุกแทนแม่กันแทนลูกก็ได้อันนี้ก็เรื่องของของเขาแต่เม่พูดตดวจด้วยไม่วไม่ว่า ไ, ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุอะไรมันบาปทั้งนั้นพูดให้เขาสบายใจก็บาปพูดให้เขารวยก็บาป คุณให้เขาติดคุกก็ บ, บาปมันเป็นคาโกโหกเหมือนกันทางนี้ว่าไงไม่ว่าใช่ไหมทางนี้ชอบฟังถ้าใส่สีแปดแล้วดื่มกาแฟกาแฟดำไม่ใส่น้ำตาลต้อ็ดก่อนเที่ยงเนี่ยแต่ก่อนเที่ยงกินอะไรไ ด, ไ ด, ได้ทั้งมันถ้าหลังเที่ยงแล้วถ้าเป็นอาหารกินไม่ได้กาแฟกินได้กาแฟกินได้แต่สายนมไม่ได้ นมก็ถือว่าเป็นอาหารถ้ากาแฟดําใส่น้ําตาลนี้ได้ อ, ไไ อ, ไอันนี้อันนี้มันละเอียดกับสีนแปดอันนี้ค่ากิเลสค่าความอยากวิปัสสนาเพราะว่าเดือดแล้วมันติดแล้วมันทุกเวลาไม่ได้ดืม่มถ้าไม่ไม่ติดมันไม่ถ้าไม่ดืม่มมันมีไม่มีก็ไม่เดือบร้อนไม่ทุกข์คนที่ไม่ดื่มกาแฟคนดื่มกาแฟใค่าสบายกว่ากัน คนดื่มกาแฟาก็ต้องคอยหากาแฟหาน้ำตาลหานมหาน้ำร้อนหาถ้วยดืมเสร็จแล้วก็ต้องไปล้างถ้วยล้างถ้วยเสร็จไม่ทันแห้งอยากจะเดืนมขึ้นมาอีกพอเมื่อกาแฟหมดน้ำตาลหมดไฟดับต้มน้ำไม่ได้ใครเดือดร้อนอะ่ะคนที่เขาไม่เดือมก็เดือดร้อนอะออ น, นอะไม่เดือมไม่ดีกว่าเลยไม่ติดไม่ดีกว่าอย่าไม่เดือมมัน มันไม่ตายไม่ใช่แล้วไม่ดื่มกาแฟแล้วตายหรือเป่าตอนทำงานถ้าเราไม่ดื่มกาแฟมันจะปวดปวดศีรษะมากแล้วมันก็ถ้าไม่มีกำลังแต่ถ้าได้กินกาแฟก็นี้ก็โอเคทั้งวันเลยครแล้วคนที่ก็ไม่เขาไม่ดื่มกาแฟก็ไม่เขาไม่ปัญหาเหมือนเราเราไม่ติดค่ะปิ๋มนั่นน่ะสิพอาะเราไม่ติดนั่นสิก็เลิกมันไม่ดีกว่าพอเลิกรอบต่อไปมันก็จะไม่ปวดหัวเพราะเราไม่มีกาแฟดื่มแต่มันจะปวดหัวตอนที่ไม่ได้ดื่มชั่วคราวช่วงที่ ช่วงที่ขาดคาเฟอีนนี่มันจะมันจะมันจ ะ, นจะทำให้ทรมานสักพักหนึ่งแตเดี๋ยวพอฤทิ์มันหมดแล้วมันก็ไม่ติดแล้วมันก็สบายอ่านี่ให้ทางบ้านมั้งอ่ะอครับนทาครับคือในภาคที่ทำของที่ภาวาะในลมจิตในช่ ว, ท ง, ว ง, ทงที่เสียอารมณ์หรือว่านาญจิตนะครับในช่วงที่เสียอารมณ์จะมีลมจิตเกิดขึ้นสมมติปรมาณเจด็ดดว ที่ว่าจะให้ผลจนจิตที่ให้ผลชาที่หงจที่สองให้ผลาที่สองประมาณนี้หรือป่ครับก็แล้วเขาว่างั้นก็ปล่อยเ ข, อเขาว่าไปก็แล้วแต่จริงๆแล้วการเสกลมหมายว่าในจิตที่เกิดบุญกุศลการสัสด บ, บุญในในนาคนีถถ่ถ้ยถ้่รไม่ไ้องไปสนใจนั่งปฏิบัติเอาแค่ปัจจุบันปัจจุบันว่ามันสุขหรือมันทุกข์ก็พอถ้ามันทุกข์ก็ดับมันได้หรือเปล่า เอาแค่นี้แหละนักปฏิบัติปัจจุบันไม่ต้องมานั่งวัดกี่ดวงดวงนี้จะไปถึงไหนดวงนั้นมาถึงไหนเว mm hmm. ลาปฏิบัติเขาไม่มาวัดกันหรอก mm hmm. เขาดูแค่ทุกข์หรือไม่ทุกข์แค่นั้น mm hmm. ทุกข์ก็หาสาเหตุของความทุกข์ว่ามันมันอยากอะไร mm hmm. อยากกาแฟใช่ไหมถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไป mm hmm. อยากนั่นสิเลิอกอยากกาแฟมันก็หายทุกข์แล้ว mm hmm. อย่าไปทางทฤษฎีมากเกินไป เวลาปฏิบัติเขาไม่มาเรียงคิวทฤษฎีเขาเรียงคิวกิเลสกิเลส ต, ตัวไหนมาก่อนเอามันก่อนถ้าเร า, าทํำสมาธิเองนะครับเราสำรองไปไม่ถึงชาไม่ได้ชา เ, เร า, า, ก, บบาก็ยังทําไปเรื่อยๆก็เหมือนปลูกต้นไม้ถ้ายังไม่ออกหลอกออกผลก็ต้องพยายามลดน้ำพ่นดินไปเรื่อยๆจนการมันจะออกดอกออกผลแต่าถ้าภาพนี้ก็ไม่ไสำเร็จ ก็ต้องทําต่อไปาชาติต่อไปอทำไปเรื่อยๆอทําไปเรื่อยๆสะสมบารมีไปเรื่อยๆอินทรีย์ยังไม่แก่ก้าพอก็ต้องเสริมบารมีไปเรื่อยๆบางคนบรรู้เจ็ดวันบางคนมารูุ้เจ็ดเดือนบางคนมารูุเจ็ดปีบางคนมารูุเจ็ดชาติบางคนมารูุเจ <c oughs> ็ด <c oughs> กลับก็อยู่ที่กําลังความสามารถของแต่ละคนมันนักวิ่งจบรัฐันทำไมมีที่หนึ่งที่สองที่สามอ่ะเนี่ย คนที่มีกำลังมากเขาก็วิ่งเข้าหลักชายก่อนคนที่มีกำลังน้อยก็ค่อยตามมาทําไมเขาถึงคนที่มีกำลังมากเกิดจากอะไรก็จากที่เขาทํามากเนี่ยขาซ้อมมากเขาฝึกมากกำลังก็เลยมากพวกที่ซ้อมน้อยฝึกน้อยมันก็กำลังน้อยมันก็เลยไปถึงชาติกับเขาถ้าเราอยากจะได้ไทยในาชาตินี้ก็ไปบวชดิแล้วไปนั่งมันทั้งวันนะ่ะ ไปหันนั่งสมาธิทั้งวันเดี๋ยวมันก็ได้ถ้าทํามากมันก็ได้มากทําน้อยมันก็ได้น้อยเหมือนตักน้ําใส่จุ่มตักวันละขันกับตักวันละร้อยขันเนี่ยอันไหนจะเต็มตุ่มเร็วกว่ากันใช่ไหมมันก็แค่นั้นแหละอยู่ที่เหตุคือปการปฏิบัติของเราเข้มข้นหรือไม่เข้มข้นกาปรปั่นกาแฟกาแฟช้อนหนึ่งแก้วกาแฟสองช้อนนี่อันไหนเข้มข้นกว่ากัน อ่ามันกว่ากั น, นใช่ไหมนั่นแหละคือเรื่องของการปฏิบัติต้องเข้มข้นต้องดูพระพุทธเจ้าดูพระสาวกเป็นตัวอย่างเนี่ยขอสำเร็จภายในชาตินี้เลยถ้าพวกเราทำแบบพอหอมปากหอมคออาทิตย์ละครั้ ง, งนี้วันละครึ่งชั่วโมงมันก็ไปงานสะสมไปเรื่อยเหมือนคนเอาเงินเข้าธนาคารทุกวันกับคนที่เดือนนึงเอาเข้าทั้ ทั้งเดียเท่าเท่ากันคนนี้เท่าเดือนละพันคนนี้เข้าวันละพันนี้ใครจะรวยเร็วกนนะว่ากันชาววัดแม้จะพยายามกระดาษใหม่ก็ตามแต่ถ้าแบบยังไม่ถึงอินต ย, ยังไม่ถึงก็ไม่ก็ไปเป็นพระสิไปเป็นพระจะได้มีเวลาเสริมสร้างอินทรีย์ได้เร็วจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปกับการทํางานหาเงินหาทองใช้เงินใช้ทอง เอาเวลามาสร้างสติสร้างอินทรีย์กันครับอาจารย์ขหมายความว่าถ้าทุกข์ใจจริงๆแต่มติมันไม่ใช่ทุกข์ใจจริงๆทุกข์ใจจริงๆมันจะถึงไม่ถึงไม่อยู่ทุทกข์ใจจริงๆ ม, มันอยู่ที่ปฏิบัติจริงๆหรือไม่ปฏิบัติจริงๆทุกข์ใจแล้วไม่ปฏิบัติมันก็ไม่ถึงทุกข์ใจอะไรอาจจะเป็นตัวกระตุน้นว่าเออทุกข์ใจอยากจะหายทุกข์ก็ไปปฏิบัตินี้ แต่บางทีทุกข์ใจแล้วก็อาจจะไม่ปฏิบัติก็ได้ต้องอยู่ที่การปฏิบัติศีล ส, สมาธิปัญญาพยายามสร้างศีลสร้างสมาธิสร้างปัญญาให้ขึ้นมาให้มีมากๆมีนานๆมีตลอดเวลารักษาศีลให้ได้ตลอดเวลานั่งสมาธิได้ทุกทั้งวันทั้งคืนปัญญาเห็นตาลักตลอดเวลา เห็นว่าทุกอย่างไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราเป็นธรรมชาติเป็นของธรรมชาติถ้าไปอยากให้เป็นของเราจะทุกข์ถ้าไปอยากให้มันไม่เปลี่ยนไปอยากให้มันเที่ยงมันก็จะทำให้เราทุกข์ถ้าเราไม่อยากเราก็จะไม่ทุกข์กับมันอยู่ที่การฝึกฝนอบรมเขาเรียกตายสิขาสินสมาธิปัญญาสิขา สิกขาก็แปลว่าการศึกษาเป็นการฝึกฝน<ม>การปฏิบัติ<ม>การกระทำเหมือนขับรถเนี่ยถ้าหัดขับเป็นแล้วหยุดไม่ไปขับ<ม>เดี๋ยวก็ลืมแต่ถ้าขับเป็นแล้วขับทุกวันมันก็จะไม่ลืมมันจะชํานาญมันจะว่องไวมันจะเก่งของอะไรต้องทําแล้วต้องทําบ่อยๆจนมันชํานาญจนมันติดเป็นนิสยัยเป็นสันดานไป ถ้าบวชแล้วปฏิบัติจีงจรทุกคนก็มีสิทธิ์กันนะครับก็มีสิทธิ์ทั้งนั้นทุอคนชาตินี้ดูครูบาอาจารย์เนี่ยท่านก็บวชกันท่านก็เอาจริงเอาจรงกันก่อนที่ไม่เอาจริงเอาจริงก็ไม่สําเร็จสําเร็จไม่สําเร็จอยู่ที่การปฏิบัติเอาทางบ้านลงนทําได้กากทางบ้านนะครับ ขอเรียนถามพระอาจารย์ครับลักษณะของสมาธิที่จะนําไปใช้เดินปัญญาต้องอยู่ในลักษณะไหนครับถึงจะนําไปใช้ได้ตอนนี้กระผมพยายามทำสมาธิเพื่อให้กล้าไปเดินปัญญาแต่กลัวว่าจะไม่ถูกทางครับสมาธิที่จะให้เรามีกําลังก็คืออัปปนาสมาธิเนี่ยจิตรวมนิ่งสงบแล้วก็นิ่งอยู่ได้นานไม่คิดปรุงแต่งไม่หิวไม่โหอย มีแต่ความอิ่มมีแต่ความสุขถ้ามีสมาธิแบบนี้ตอนที่อยู่ในสมาธิไม่ได้ไม่ไม่ให้เอาอไปใช้ทางปัญญาให้เราออกจากสมาธิก่อนเหมือนแช่น้ำเนี่ยเราแช่น้ำเย็นน้ำยังไม่ทันเย็นอยากเพิ่งเอาออกมาให้มันเย็นเราค่อยเอามันดื่มพอมันหายเย็นก็ต้องอากลับเข้าไปใหม่พอออกจากสมาธิม า, มา เดี๋ยวมันกระทบกับอารมณ์มักระทบกับทีต่างๆเดี๋ยวมันก็ร้อนขึ้นมาได้พอมันร้อนก็ต้องเอากลับเข้าไปใหม่เวลามันเย็นมันจะพมันจะเห็นความจริงเวลามันร้อนมันจะไม่เห็นเพราะว่ามันเป็นกลายเป็นอารมณ์ไปอารมณ์มันจะคล้องําใจแล้วมันจะหลงต้องทําให้ใจมันเย็นใจมันเย็นแล้วอารมณ์มันจะหายไปแล้วมันก็จะเห็นตายรักเห็นอันนี้บอกว่านี่ไม่เที่ยงมันก็จะเห็นว่าไม่เที่ยง แต่ถ้ามีอารมณ์บอกว่าไม่เท่งไงก็ยังอาจาวให้มันเท่งอย่างนั่นนะบอกว่ามันจะต้องแก่มันก็ยังไม่ยอมแก่อยู่นั่นนะแต่ถ้ามันใจมีสมาธิแล้วใจเย็นแลมองเห็นว่ามันไม่เท่งก็จะยอมรับได้ว่ามันไม่เท่งคำถามต่อไปจะทางอินบ็อกซ์ครับแต่คุณดีอย่างครับกระผมค่ายขอกระผมค่าขออุบายในการเจริญสมาธิ เรื่องความง่วงครับเนื่องจากกระผมทําสมาธิทีไรจะง่วงทุกครั้งจะมีวิธีแก้ไขความง่วงนอนนี้อย่างไรครับก็มีสองวิธีคือผ่อนอาหารลดอาหารหรืออดอาหารถ้าวันถ้ามันไม่ได้กินอาหารมันหิวเดี๋ย ว, วมันก็ไม่ง่วงวิธีที่สองก็ถ้าอดอาหารไม่ได้ก็ให้ไปหาที่น่ากลัวปฏิบัติเช่นป่าช้า ไปอยู่ป่าชาไปนั่งอยู่ในป่าช้าคนเดียวรับรองได้ว่าทั้งคืนไม่มีง่วงแน่ๆอา้าวพาเขาไปกันเนี่ยคนที่เขามีปัญหาเรื่องง่วงเขาก็ไปที่ป่าช้ากั น, นถ้าเขาอดอาหารไม่ได้ถ้าเขาอดอาหารได้ก็ไม่ต้องไปคำ ถ, ถามต่อไปจากทาง YouTube ครับจากคุณซูซี่ครับคือโยมใช้อสุภาษไม่ค่อยได้ผลนะคะ แต่สังเกตถ้าคิดว่าการเกิดทุกชาติมีแพ็กเกจที่แน่นอนคือความทุกข์ที่เกิดจากการเกิดแก่เจ็บตายมันจะเอาอยู่มากกว่านะคะโยมเอาแบบนี้เป็นอารมณ์ปกติได้ไหมคะได้ได้อันไหนก็ได้แล้วก็โยมก็เปิดรูปศพเกือบทุกวันรูปศพยายนี้ติดให้เห็นทุกวันแต่ก็ไม่ค่อยได้ผลปรากฏว่าใช้อวัยวะสักอย่างเป็นอารมณ์แล้วบอกกับ แล้วบอกกับใจว่าโง่เปล่าที่คิดว่าร่างกายที่เป็นที่รวมของอาการ32เป็นของเราถูกไหมครับถูกถูกครับคำถามต่อไปจะทาำเฟซ b o o k ครับจากคุณบ้านนาครับพระอาจารย์เจ้าคะเวลานั่งสมาธิเราควรวางจิตยอย่างไรเมื่อเกิดเวทนาเจ้าคะก็ให้อยู่กับพุโทโธไปอย่าไปอยู่ที่เวทนาให้บริกรรมพุโทโธไปทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้อย่าไปสนใจกับเวทนา ถ้าไม่ไปสนใจมันจะไม่เกิดความอยากให้มันหายแล้วมันก็จะไม่ทรมานถ้าไปสนใจเดี๋ยวมันจะอยากให้มันหายแล้วมันจะทรมานเดี๋ยวถ้าอยู่กับพุโทโธพุโทโธไปแล้วเดี๋ยวมันจะลืมความเจ็บลืมทุกขเวทนาแล้วมันจะรู้สึกไม่เดือดร้อนอยู่กับความเจ็บได้คํถาถามต่อไปจากคุณนภชนันครับจะรักษาใจายอย่างไรในขณะที่ป่วยไม่ให้เศร้าหมองและเป็นทุกข์ และจะรักษาใจอย่างไรเมื่อเกิดเวทนาจากโรคภัยไข้เจ็บก็แยกใจว่าใจไม่ได้เป็นร่างกายใจเป็นผู้ดูแลร่างกายใจเป็นนายกายเป็นบ่าวร่างกายเป็นเหมือนคนใช้ตอนนี้คนใช้ไม่สบายก็รักษาให้เขาไปหาหมอหายาให้เขาไปใจเป็นเพลยงข้ผู้คอยดูแลก็ดูแลไปอย่าไปอยากให้เขาหายเพราะว่ามันจะหายไม่หายมันไม่ได้อยู่ที่ความอยากของเรา มันจะหายมัยก็หายถ้ามันไม่หายมันก็ต้องอยู่กับมันไปมันจะตายก็ต้องให้มันตายไปเพราะเราห้ามมันไม่ได้ร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราให้มองอย่างนี้คาถามต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามครับตอนนี้รู้สึกว่าความศรัทธานในพระพุทธศาสนามีเต็มที่เชื่อมั่นว่าคำสอนเป็นจริงแต่กลับรู้สึกขาดความศรัทธานในตัวเองปฏิบัติแล้วท้อจนถามว่าเราทาอะไรอยู่ไม่น่าได้ผลอะไร คนอื่นที่ไม่ได้เข้าวัดดูเขามีความสุขกว่าเราอีกรู้สึกมีความมุ่งมัน่นเราลดลงไปค่ะเราควรทำหรือคิดอย่างไรดีคะก็ต้องดูว่าเราปฏิบัติถูกขั้นตอนหรือเปล่าเราข้ามขั้นตอนหรือเปล่าถ้าเราเป็นเด็กอนุบาลเราก็ต้องเรียนชั้นอนุบาลไปก่อนอย่าไปเรียนชั้นมัธยมมันเรียนไม่ไหวมันก็เลยท้อตอนนี้เราทาทานได้หรื อ, อยังเราเาเงินที่จะไปซื้อของฟุ่มเฟือย ม, มาทาบุญได้หรื อ, อยัง ถ้ายังยาวเงินไปซื้อของฟุ่มเฟือยไปเที่ยวกันอยู่ก็มันก็จะรักษาศินยากจะหาเวลามานั่งสมาธิไม่ได้เป็นขั้นตอนหัดทําบุญทําทานก่อนเสียสละแบ่งปันให้ได้ก่อนเมื่อเราไม่เอาเงินไปใช้ตามความอยากแล้วความอยากที่จะหาเงินมันก็จะน้อยลงการที่จะต้องไปทําบาปเพื่อได้ได้เงินมาแบบง่ายๆเร็วๆก็หมดไปเราก็หาแบบสบายๆ เราก็จะรักษาศีลได้พอเรารักษาศีลหข้อได้ต่อไปเราก็มาหารักษาศีลแปดเพิ่อมอีกสข้อ<ม>เพื่อหยุดความอยากที่จะไปเที่ยวไปหาความสุขทางร่างกายถ้าเรารักษาศีลแได้เราก็จะมีกำลังมาฝึกสมาธิมาเดินจงกรมมานั่งสมาธิมันเป็นขั้นตอนเหมือนเด็กอะ่ะตอนต้นก็คานก่อนใช่มอกคานแล้วก็หัดยืนพอยืนได้แล้วก็หัดเดิน หัดเดินแล้วก็ค่ายหัดวิ่งไม่ใช่พอมีศรัทธาบ้างก็จะวิ่งเลยมันไม่ได้หรอกก็ต้องผ่านขั้นตอนทําทานได้หรื อ, อยังอย่าเพิ่งไปวิปัสสนาอย่าเพิ่งไปนั่งสมาธิเลยถ้ายังเสียดายเงินทองยังหวงเงินทองอยู่ยังอยากจะเอาเงินทองไปหาความสุขต่างๆอยู่วิปัสสนาไปก็เสียเวลาเปล่าๆสมาธิก็ไม่ไม่มีวันที่จะได้เพราะใจมันจะคิดแต่เรื่องเที่ยวเรื่องหากินหาอยู่อย่างตลอดเวลา นั้นมันต้องตัดไปเป็นขั้นๆไปขั้นตอนแรกก็ตัดการใช้เงินทองตามความอยากให้ได้ก่อนยาวไปทําบุญก็ได้แล้วเก็บไว้ก็ได้เก็บไว้สําหรับใช้ในวันข้างหน้าเผื่อเราอยากจะหยุดทํางานเราอยากจะมาปฏิบัติธรรมเราจะได้มีเงินใช้ก็เก็บไว้ก็ได้แต่ถ้ามันมีมากจนชาตินี้ใช้ไปสิบชาติก็ไม่หมดก็แบ่งไว้ให้คนอื่นบ้าง ก, ก็ดีเพราะมันได้บุญมันเป็นการเอาเงินไปฝากธนาคารด้วย เผอชาติหน้าเรายังไม่เราต้องกลับมาเกิดใหม่ก็ยังจะมีสมบัติร อ, อเราอยู่ตอนนี้เรื่องของการใช้เงินทองก่อนต้องต้องบริหารจัดการเรื่องการใช้เงินทองให้ได้ก่อนไม่ไงั้นมันจะหาเงินอยู่เรื่อยๆหาเงินเพื่อมาใช้ใช้แล้วก็หาเงินแล้วมันจะไม่มีเวลามาฝึกสติมานั่งสมาธิมารักษาสิงมันต้องดูขั้นตอนว่าตอนนี้เราทำอยู่ขั้นที่หนึ่งได้หรือยังทาทานได้หรือยัง ทำให้มันเป็นนิสัยได้ไหมต่อไปนี้เราจะทำทาทานร้อยละสิบของเงินทองที่เราได้มาดิที่ทาได้ป่ะพอได้ร้อยสิบก็เพิ่มเป็นร้อยี่สิบได้ป่ะต้องทาให้มันมันจะได้ตัดกิเลสตัดความอยากที่จะมาเป็นอุปสรรคต่อการนั่งสมาธิต่อการปฏิบัติของเราทำทานได้แล้วรักษาสี่ห้าได้หรือยังรักษาได้กี่ข้อได้กี่วันได้ทุกวันหรือยังได้ทุกข้อหรือยัง ได้ทุกข้อได้ทุกวันแล้ววันผ้าลองมาถือศีลแปดกันดูมาอดข้าวเย็นกันจะได้นั่งสมาธิได้จะได้ไม่ง่วงอะไรเนะี่ยมันมีขั้นตอนของมันไม่ใช่พูดผ้าก็จะมานั่งสมาธิกันเลยพอนั่งไม่ได้ก็ท้อเสื่อมศ ร, รัท ธ, ธามันดูศักยภาพตัวเองเหมือนนั่งวิ่งมาราธอนเขาจะวิ่งมาราธอนได้เขาต้องห่าวิ่งตั้งแต่กิโลก่อนใช่ไหมวันนี้ลองกิโลไหวหรือเปล่า ไม่ใช่อยู่ๆจะไปวิ่งสี่สิบสองกิโลไม่ไหวหรอกอเพิ่มไปเท่าเล็กเทน้อยเพิ่มกำลังในตัวเราเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆต้อถามต่อไปจากคุณฟังกอนครับถ้าเราเกิดมีปัญหาเรื่องหลังเราสามารถนอนสมาธิในการฝึกจิตได้ไหมคะัได้แต่มันจะหลับนะสิมันจะไม่เป็นสมาธิมันสบายอพอมันสบายแล้วสติมันจะเคลื่อ ม, มันจะหมดหมดสติแล้วมันก็จะหลับ คำถามต่อไปจากคุณแสงธรรมครับไม่สบายใจเลยที่ขายของชำแต่ส่วนมากจะเป็นเหล้าเบียรเหมือนส่งเสริมคนไม่มีสติได้ทําไปมากแล้วอยากได้อุบายผ่อนหนักให้เป็นเบาสาธุก็อย่าไปขายมันเลยเขียนว่าสุราหมดเห็นเปล่าสุราหมดแค่นั้นเองคำถามต่อไปจากทางยูทูบครับจากคุณตุ้มตุ้ยครับโยนนั่งสมาธิแล้วจิตนิ่งเร็วแต่สักพักก็ฟุ้งไป แล้วก็กลับมามีสตินิ่งใหม่ช่วงหลังฟุ้งน้อยลงแล้วฟุ้งไม่นานจิตสงบนานขึ้นแสดงว่าสติอ่อนไปใช่ไหมคะช่วงที่ฟุ้งไปควรแก้ไขยอย่างไรครับก็ดึงสติกลับมามนนมนเนี่ยเหมือนน้ามันรถเนี่ยพอนน้ำมันหมดก็ต้องไปเติมใช่ไอมของง่ายๆครนี้มันนามาถามเลยมันฟุ้งเพราะไม่มีสติพอมีสติมันก็หายฟุ้งอมันก็เอาสติกลับมาสิให้ฝึกสติตลอดเวลาให้มีสติตลอดเวลา พอมันฟุ้งก็แสดงว่ามีสติแล้วรดึงกลับมาพุทโทพุทโทดึงกลับมาต่อไปจากคุณชนะพัฒนนะครับขออนุญาตส่งอารมณ์ค่ะหลังจากสวดมนต์เสร็จแล้วลูกก็นั่งสมาธิต่อแล้วกำห น, นดไปเรื่อยๆจิตแวบไปพอดึงกลับมาก็ลืมตรงที่กำห น, นดไปอยากทราบว่าเกิดจากสาเหตุอะไรครับสติไม่มีไง สติมันดึงดึงใจไว้ไม่อยู่มันก็เลยไปเหมือนเชือกขาดเหมือนว้าวที่เราเ้ยวที่เราลอยในอากาศพอเชือกขาดมันก็ไปเลยมันมันไม่อยู่เราต้องหาเชือกแข็งแขงเชือกที่แข็งแรงสติเราถ้าอ่อนมันจะขาดเรื่อยๆสติของเราใหม่ๆมันเหมือนพวกเชือกกล้วยพอกิเลสกระตุกปั๊บมันก็ขาดเราต้องทำให้มันเป็นเชือกนัยรอนขึ้นมา พยายามเจริญสติบ่อยๆมากๆก่อนที่เราจะมานั่งเพราะเราจะเจริญสติได้ทั้งวันทั้งคืนเวลาที่เราไม่นั่งนี่เราจะเจริญสติได้ตลอดเวลาพุทโธได้ตลอดเวลาหรือเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายได้ตลอดเวลา <Yeah. S 1> อย่าปล่อยให้มันไปคิดเราชอบปล่อยให้มันคิดคิดก็แสดงว่าใจลอยไปละลอยไปกับความคิดลอยไปในอดีตบ้างลอยไปในอนาคตบ้างดึง ม, มันกลับมาให้อยู่กับร่างกายหรืออยู่กับพุทโธพุทโธไป วเวลานั่งสมาธิมันจะมีกําลังมากมันจะไม่ค่อยหลุดเอาอีกสองข้ออ่ะสองข้อมีสมามาข้อเดียวไหมข้อเดียวข้อสุดท้ายหนึ่งคถานจะทาง inbox ครับจากปุ่มตากร ค, ครับทําไมทําบุญต้องตรวจน้ําครับมีความหมายว่าอย่างไรครับอ๋อไม่ต้องตรวจละให้ก ว, วดบุญให้อุทิศบุญเฮ้บุญบุญมันเป็นนามธรรมามองไม่เห็น คนนั้นไม่รู้ว่าบุญเป็นยังไงเขาก็เลยใช่สมมุติว่าบุญเป็นน้ําก็แล้วกันแล้วเวลาเราทําบุญเสร็จแล้วก็เทน้ําแล้วก็ลึลึกไปในใจว่าขอระลึกส่วนบุญนี้ให้กับคนนั้นคนนี้ไปความจริงตัวตัวจิตที่ระลึกนี่แหะเป็นตัวที่อุทิศบุญกําลังที่เรากําลังอุทิศไปอยู่ยงั้นจะมีน้ําไม่มีน้ําไม่เป็นปัญหาเลยจะมีก็ได้ไม่มีก็ได้ขอให้เราอุทิศก็แล้วกันเราต้องอุทิศ ทำบุญแล้วเราไม่อุทิศคนที่รอรับรับไม่ได้เหมือนกับส่งของไปทางไปสนิทไม่เขียนชื่อคนรับเองตรงนี้จะไปส่งให้ใครงั้นเวลาจะจะอุทิศบุญเราต้องระลึกถึงคนที่เราอยากจะอุทิศเช่นผู้ที่ร่วมรับไปแล้วชื่อนั้นชื่อนี้ก็ว่าไปก็คือใจมือถือก็ไปเลยอ่านี่ยแหละอ่าเหมือนกับมือมือถือวันนียกดป้ากดส่งป้าเงินก็ไปเลยไอมแบบเดียวกันเลยเนี่ย แต่ถ้าในบัญชีไม่มีเงินก็ส่งไม่ได้ใช่ไหมถ้าใจเราไม่มีบุญก็ส่งไม่ได้ะแเราถึงต้องทําบุญใส่บาตรนี่ก็บุญก็เกิดขึ้นมาละมันเอาเงินไปฝากธนาคารแล้ะพอมีเงินแล้วก็กดมือถือส่งไปได้เลยบุญทั้งหลายที่เราทํามาในอดีตที่เราลืมกดสืมมันหายไปหมดแล้วต้องทําใหม่เอาของสดๆร้อนๆเพราะว่า บุญ ท, ทำไปแล้วบางทีมันไม่หายแต่มันเข้าไปในคลังนะมันไม่ออกมามันไม่สะสมไว้ในบัญชีบุญนะแล้วต้องเอาเอาบุญใหม่ที่เราทำสดๆร้อนๆส่งไปเอาแล้วนะวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิณิพิจาณาไปปฏิบัติ เพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเชิญมีข่าวดีมีเดี๋นี้มี ม, มีเผยแพร่าทางไลน์ด้วยแต่อยากจะใครมีไานอยากจะติดตามก็เดี๋ยวนี้มีมีทางไลน์สามารถเข้าไปสืบทาได้ใช่ไหมครับชื่อพระสุชาตินะีพะพออจุตสุชาติพิชาตโตนะพระอจุตสุชาติพิชาตโตใครมีไลน์ก็สามารถที่จะเชื่อมเข้าไปได้เลย ก็าจะมีธรรมะป้อนใ ห, ให้อ่านทุกวันในไลน์เลยไม่ต้องเข้า Facebook กไม่ต้องเข้า YouTube เวลามีถ่ายทอดสดเขาก็จะเตือนนะเขาขอแจ้งข่าวให้ทราบเอาล้ะนะอันนี้ก่อน